วาดพราะพวกเรานั้นเป็นเน่บุญคุณทางจิตวิญญาณของชาวอินเดียคือพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ก็อยากจะนําธรรมะสักเรื่องหนึ่งมาแบ่งปันให้พวกเราฟังและธรรมะเรื่องนี้ก็เป็นโยคะเหมือนกันแต่เป็นโยคะทางจิตวิญญาณเป็นสปิริชั่โยคะผู้ดวงของเราก็คุ้นกับโยคะมากเมื่อแรกบวชหกปี พระองค์ฝึกทุกอย่างรวมทั้งโยคะพระพุทธองค์นั้นทรงเจ้าชาญโยคะขั้นสูงสุดทั้งโยคะทางกายเป็นฟิสิกส์โยคะรลงก็ฝึกถึงขั้นสูงสุดและก็โยคะทางจิตวิญญาณสเปริชุโยคะก็ถึงจุดสูงสุด ดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจึงเรียกนักปฏิบัตินะ p r a c t i ช i o n e er, ว่าเป็นโยคีโยคีที่กำลังฝึกโยคะฉะนั้นคำว่าโยคะคำว่าโยคีเป็นคำเก่าในทางอินเดียอยู่แล้วแล้วตอนนี้ชาวโลกรู้จักคำนี้ชนิดใช้ทับศัพท์ได้เลยคำว่าโยคะคำว่าโยคีคำว่าวิปัสสนาคำว่ากูรู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 หัวเรือของมนุษยชาติถึงหันไปหาความรุนแรงและความเกลียดชังทำไมเพราะว่าเราทอดทิ้งโยคะทางวิญญาณคือเราขาดการฝึกจิตฉะนั้นเราจะต้องมาช่วยกันทำให้โลกทังโลกเราจะต้องมาช่วยกันหันหัวเรือของมนุษยชาติให้หันเหนไปสู่ฝั่งแห่งสันติ ฟังแห่งความเมตตาฟังแห่งความรักฟังแห่งการให้อภัยและฟังแห่งการมีขันติธรรมระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายทางเพศผิวเผ่าพันธุ์วันนะชาติภาษาศาสนาและวัฒนธรรมทุกวันนี้หัวเรือของมนุษยชาตินั้นมุ่งไปสู่ความรุนแรงมุ่งไปสู่ความกลัว มุ่งไปสู่ความเกลียดชงังและมุ่งเอาชนะค่าขานซึ่งกันและกันด้วยศักยภาพทางอำนาจด้วยฮาร์ดพาวเวอร์ธรรมะเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราจะต้องส่งเสริมให้คนมีซอฟต์พาวเวอร์ในตัวให้เยอะๆอย่างองค์ดา ล, ะละายามะเนี่ยพรองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจทางจิตวิญญาณของคนทั้งโลกเพราะพระองค์ท่านนั้นถึงพร้อมด้วยความรักความรู้ ความเอนโดและปรีชาญาณตรงนั้นบอกว่าศาสนาของอัตมานั้นง่ายมากศาสนาของอัตมาภาพนั้นก็คือความรักฉะนั้นเราทุกคนมาถือศาสนาเดียวกันกับอัตมาได้ความรัก compassion หรือ loving kindness ความเมตตาแต่พอเราทอดทิงโยคะทางวิญญาณ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 เราต้องกลับมาหาธรรมะธรรมะก็หนึ่งซึ่งอาจรมภาพชอบนามาเล่าบ่อยๆก็คือเรื่องของพระเจ้าทีคิติโกสลเรื่องมีอยู่ว่ามีนครอยู่สองนครนะครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าทีคิติโกสนนะครหนึ่งปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของมหานครที่มั่งคัง่งเป็นรัฐมหามนา ในครั้งโบราณกาลพระเจ้าทีคีติโกสนราชาเป็นพระราชาของเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นประเทศชายขอบของรัฐมหาอำนาจของโลกคล้ายๆไทยแลนด์พูตานอะไรอย่างนี้เป็นประเทศเล็กๆพระเจ้าพาราณสีนั้นก็เป็นเหมือน ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นพี่เบิ้มมหาอำนาจแต่ไม่ว่าจะร่ำรวยยังไงก็ตามนะพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในพระรัชำนานโลกยังคงเฝ้าฝันถึงการครอบครองโลกทั้งโลกอยู่เสมาฉะนั้นบ้านเล็กเมืองน้อยเนี่ยพระองค์ไปเตียมาเกือบหมดสุดท้ายก็เหลือเมืองเมืองโกศลของพระเจ้าทีคีติโกศลไละที่ยังไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้น จึงยาตราทัพไปเมื่อยาตราทับไปก็ไปยึดเอาเมืองของพระเจ้าทีคีติโกสนอย่างง่ายๆเลยเพราะระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศยากโจนโลกที่สามนั้นมันแทบไม่ต้องรบแต่ถึงกระ น, นั้นพระเจ้าทีคีติโกสนก็รบนะเพราะพระองค์ทรงมีขัติยมานะคัติยมานะก็คือความสาคัญมั่นหมายว่าเราก็กษัตริย์เขาก็กษัตริย์ จะให้มายอมกันง่ายๆได้ยังไงทั้งสองนครจึงต่อยุดกันข้ามวันข้ามคืนไพรพลและก็ประชาชนรากยญาล้มตายเกลื่อนกละพระเจ้าทิตคิติโกสนกับพระชายาซึ่งเวลานั้นกำลังทรงคันอ่อนๆเห็นว่าสู้ไปก็แพ้จึงตัดสินพระไทยทิ้ง พระราชวังและประชาชนของพระองค์หนีไปตายเอาดาบหน้าพระเจ้าพรมทัตยึดเมืองได้ง่ายๆแต่ก็ต้องเสียไพ่ผลไปพอสมควรทั้งสองพระนครพระเจ้าดีกิติโกศล น, นั้นทรงหลบเลี่หนีรัชภัยไปอยู่ชายแดนปลอมเป็นชาวบ้านอยู่ที่โรงช่างมอ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 ช่างกระบบกคือในช่างทำผมส่วนพระองค์นะซึ่งลีภัยมาด้วยกันนะอดอยากปากแห้งจึงนำความลับแห่งชาติไปขายว่าค้นพบทีสซอนของพระเจ้าที่คิติโกสนเนี่ยคนรักกันเนาะคนรักกันทำกันนี่มันเจ็บนะเอากำลับไปขายก็ได้เงินมาก้อนนึง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 และเมื่อแห่ประจานจนถึงที่สุดแล้วก็รับสั่งให้ประหารประหารอย่างโหดเห็นถ้าเม็นชาติมากน้องน้องจินซีห้องเตะให้ห้าม้าแยกร่างทีคารุกุมาล น, นั้นแอบเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆระหว่างที่ทีคารุกุมาลแอบเดินตามเสด็จพ่อไปห่างๆนั้นพ่อ ต้องการจะสอนลกูกซึ่งเป็นปริชายานที่สาคัญมากเป็นโยคะทางวิญญาณพ่อบอกว่าที่คาวุเ อ, อ๋ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสัน้นรักยาวให้บรรรักสั้นให้ต่อพ่อก็พูดออกมาอย่างนี้ขณะที่อยู่ในกรงขังนั้น ทหารที่นำพระองค์ไปแห่เนี่ยก็คิดว่าสงสัยพระราชาแก่คนเนี้ยคงเผอแล้วพูดอะไรฟังไม่ได้เรื่องเลยตักยาวให้บันตักสั่นให้ต่อนีต่ตะแก่มเผออะไรออกมาหาู้ไม่พระองค์ทรงต้องการศาลแห่งสันติภาพให้แก่พระโอรสองค์เหลียวของพระองค์ที่คาวุเอ๋ย รักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อพูดเพอไปเพ้อไปร้องให้สายายผมจนครั้งเขาก้อนผมหมดสิน้นก็ยังเพออยู่บนตะแลงแกงคือหลานประหารก่อนจะประหารก็ขอพูดขอยกมือข้าขอพูดอะไรเพจรชการก็บอเอ้าตแกวันนี้มันวันสุดท้ายของแกและจะพูดอะไรก็พูด ที่ข้าพุทเอเ๋เยอย่าเห็นแกยาวอย่าเห็นแกสั้นรั ก, กยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อผูดเสร็ต้องเงียบพร้อมให้ประหารทั้งพระชาะยาเธอด้วยที่ขาพุทอยู่ในหมู่ชนที่พากันมามงดูการประหารครั้งสําคัญในคราวนั้นด้วยและ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 ให้ข้าพเจ้าไปอยู่คลังคลังหลวงก็ต้องเต็มไปด้วยเงินตราให้ข้าพเจ้าไปเลี้ยงมา้าม้าก็ต้องอ้วนเห็นไหมคนเก่งไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นรุ่งโรจน์ชดนาที่กัปุกุมาเนี่ยไปทําหน้าที่ตับพุ่นย่าช้างอยู่ในโรงช้างหลวงเพราะก็ว่านายหัตถาจารย์คือควานช้างก็ชอบช้างก็รักนะทอดยาให้ช้างกินอาบน้ำให้ช้างแต่ละวันพอว่างๆก็หยิบเพนขึ้นมาเล่น เย็นมันหนึ่งหยิบพินขึ้นมาบันเลแเราก็ขับด้วยเสียงเพลงขับนั้นกล้องกลางวานก็ไปถึงพระราชฐานชั้นในพระเจ้าพรมทัตก็ถามว่าใครบีดพินและขับร้องไพเราะเหลือเกินไปตามมาสิเสียงขนาดนี้มันต้องไปไม้ทองคำ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 ดีดพินและขับร้องให้ฟังก็พอหลังจากทรงงานเนนหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวัน่ตอนเย็นเย็นเมื่อถึงเวลาสเสวพระกยาหารค่ำทีท่าวุกุมารก็เล่นเล่นพินแล้วขับร้องให้ฟังพระองค์ก็ทรงสําราญบานพระไถยมากเลื่อนจากมหาเล็กดีดพินนะขึ้นมาเป็นต้นห้องเลยต้นห้องก็คือประจําห้องบรรทมนะทรงเข้าหลับทรงเข้านอนนะีย แตนะ่ที่ขาวุกุมารได้ทำหมดเลยก่อนจะนอนก็ไปเช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรทมตื่นนอนก็เช็คความเรียบร้อยของเตียงบรรธมถวายน้ําสงตามเสด็จไปทุกหอนทุกแห่ ง, งเรียกว่าตําแหน่งเขึ้นเร็วมากพรวดพราดเลยทีเดียวเห็นไหมต่อมามีอยู่วันหนึ่งที่ขาวุกก็คิดว่านี่เราก็เข้ามาถึงห้องบรรทมแล้วใกล้จนไม่มีใครใกล้ได้มากกว่านี้แล้วเอาละ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 เขาขับรถมาด้วยความเร็วและเร่งสูงสุดจนทำเอาพระองค์ท่านนั้นพลัดออกจากโมนายทหารราชงครักษ์ทั้งปวงหลุดเข้าไปในป่าดงเด็บไม้ใหญ่ไพ ร, รหงสูงตรงานเงียบเก็บแทบไม่มีเสียงนกเสียงกาแต่มีความสดชื่นรื่นเย็นของน้ำตกเท้าเธอนั้นทรงเหนื่อยมาก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 พอเงื้อขึ้นมากำลังจะเชื่อดนะคำสอนของเสด็จพ่อก็ลอยมาเข้าหูที่ขา ว, า, าวุอย่าเห็นกยาวอย่าเห็นกสั้นนะลกูกรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะพขอคิดขึ้นมาได้อย่างงี้ปั๊บทำไม่ลงรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเน็บเน็บพระแสงไว้ผ่านไปห้านาที จิตมันสอนจิตอีกแล้วว่าเจ้าโง่โอกาสดีอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนถ้าแกไม่ทําตอนเนี้ยถ้าเจรถของไม่มาเกยขนาดนี้หรอกนี่มันในป่าในดงในดอยนะ้ถ้าแกทําสําเร็จใครมันจะรู้จึงเงื้อพระแสงกันกขึ้นใหม่จะเชือ่อคําสอนพ่อรอยมากแล้วลูกรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อนะลูกนะเน็บ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 เสด็จพ่อเสด็จแม่ของแกน่ะลําบากขนาดไหนเป็นเจ้าอยู่ดีๆตอนนี้ต้องพลัดทีนาคาที่อยู่เนี่ยถูกเขาฆ่าเขาแกงเจ็บช้ำน้ําใจร้องไห้น้ําตาแทบจะเป็นสายเลือดเจ้าเสียทั้งพ่อจะเสียทั้งแม่เสียงทั้งเสียทั้งตระกูลว ง, งพงษาพลัดที่นาคาที่อยู่และตอนเนี้ยประชาชนของเจ้าก็เป็นทาสเขาก็มีเจ้าคนเดียวที่จะชําระแคนได้ ถ้าเจ้าไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วต้องทำตอนนี้ now or never นี่มันมีมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วนะที่กัมพูก็คิดหนักอ่ะเพราะจิตได้สำนึกมันมันรบกันอยู่ หยิพระสังขารเสิขึ้นมาครั้งที่สมเงืออ้อเอกกาลังจะเชื่อคาสอนสมเด็จพ่อก็มาแล้วลูกเอ๋ ย, อย่าเห็นแก่การยาวจะเห็นแก่การสั้นรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อนะลูกนะขณะที่กําลังเงื้อครั้งที่สามและจิตได้สํานึกฝ่ายดีฝ่ายชั่วกําลังรมรานพันตูนั่นเองนาที่นั้นพระเจ้าพรหมทัต ฝ, ฝันร้าย พระองค์ทรงสุบว่าถูกศัตรูโหมปัจจามตทไล่เข็นข้าราวีและกำลังเงื่อดาบจะบันพระสอพระองค์อยู่นาทีนั้นแล้วพระองค์สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเห็นทีคาวุเหงื่อพระแสงค้างอยู่ตกใจมากตะโกนถามว่าพ่อพ่อจะทำอะไรนี่เราฝันร้ายมากเลยนะทีคาวุก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ฝันหรอก หม่อมฉันจะบันพระสอพระองค์อยู่นี่แล้วเอา้าแล้วนี่มันเรื่องอะไรที่คาวุก็เล่าว่าขออภัยเถิดมหาบาพิตรแท้ที่จริงหม่อมฉันไม่ใช่นายแต่พุ่นแย่าช้างธรรมดาหม่อมฉันคือราชโอรสของพระเจ้าทีคีติโกสลที่พระองค์ทรงสังหารผ่านชีวิตนั่นแหละเอา้านี่เธอเป็นลูกศัตรูหรือแล่วทำไมเธอไม่ฆ่าฉันซะละ่ะ มัมฉันกําลังชั่งใจอยู่และเธอชั่งใจว่าอย่างไรมัมฉันก็ชั่งใจอยู่ว่าจะฆ่าพระองค์นี่ครั้งที่สามแล้วที่มัมฉันเงื้อดาบขึ้นมาทําไมเธอไม่ลงมือมัมฉันคิดถึงคําเสด็จพ่อเสด็จพ่อบอกว่ารักยาวให้บัญรักสั้นให้ต่อหมายความว่าไงอ่ะรักยาวก็หมายความมาถ้ารักจะจองเวรกันยาวๆทุกภพทุกชาติไม่จบไม่สิน้น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 จงดีต่อกันเข้าไว้จงดีต่อกันเข้าไว้เหมือนกวีแต่โบราณท่านบอกผ <c oughs> ูกเสน่หชิดเชื้อนั้นเหลือยากถึงเหล็กฟากผูกไว้ก็ไม่มั่นแม้นจะผูกด้วยมณ์แสกลงเล็กยันก็ไม่มั่นผูกไว้ด้วยไม้ตรีเหมือนสุนทรผู้พูดไว้ปรารถนาสารพัดในปัฏตภี เอาไมตรีแลกได้ดังใจจงหม่อมฉันมาคิดถึงคำของโบราณราชบัณฑิตแล้วบั่นพระสอรพระองค์ไม่ลงรักยาวให้บัน่นถ้าหมายจะจองเวรจองกรรมกันแปนับแสนนับล้านชาติพบเกิดชาติไหนก็ชาตินั่นเจอกันเป็นโกรธเกลียดชิงชังแม้ไม่เคยทะเลาะแค่เห็นหน้าแค่เห็นหลังแค่เห็น้ายถอยแค่ได้ยินเสียง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 ให้มันจบจบลงก็ให้ดีต่อการไว้บัดนี้หม่อมฉันตัดสินใจแล้วหม่อมฉันจะบั่นความแค้นและจะต่อไมตรีกับพระองค์พระองค์จะออกวีซ่าไมาตรีให้หม่อมฉันไหมพอพระเจ้าพระมทัศนได้เย็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยสมแล้วที่เธอเป็นลูกปราราชบัณเด็ดพ่ออยากมีลูกอย่างเจ้าสักคนหนึ่ง ทิดาของพ่อก็ยังไม่ออกเรือนเอานี้มาเป็นลูกของพ่อเถอะแล้วพ่อจะลืมซะว่าวันนี้ลูกกำลังจะทำอะไรพ่อขอพระรจชทานอภัยโทษให้เจ้าที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงสามครั้งสามคนแล้วพ่อก็ยกโทษให้พ่อด้วยที่คาวุก็บอกว่ามหาบาพิษพระองค์เอาหม่อมฉันมาชุบมาเลี้ยงพระองค์ก็เหมือนพ่อมอมฉันแล้วมอมฉัน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 อันนี้คือผลของการปล่อยวางความแค้นทำให้ทีคารุกุลุกมันประสบความสาเร็จอย่างเชินที่พระองค์ก็คาดไปไม่ถึงเราลองจินตนาการในทางกลับกันว่าถ้าทีคารุกุมารไม่ฟังคำพ่อบันคอพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตก็ต้องแค้นและออกไปก็ต้องเจอกับนายทหารราชองครักษ์ มีข่าวุราชกมุมารก็จะถูกโปรงพระชนแล้วก็จะต้องชิงชังข้างแขนกันสืบไปไม่จบไม่สิน้นเรามีเสร็จ ท, ที่จะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเราหันหัวไปหาฝั่งแห่งความรักไมตรีเจตเมตตาภาคสันติภาคและสันติสุขก็ได้หรือ เราจะเลือกให้นาวาแห่งชีวิตของเรานั้นหันหัวไปทางความเกลียดชังความแบ่งแยกความใจแค่ความดูหมิ่นหยยดยมความแค้นความโกรธความรุนแรงความมากั้นปัญาบัติและสงครามเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเราจะเลือกอย่างไร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 เราต้องมันเจริญสติบ่มพ่อเมล็ดพันธ์แห่งสติขึ้นมาในจิตในใจเราพอเมาพอเรามีเมล็ดพันธ์แห่งสติในใจเราและมันได้รดน้ำผ่อนดินทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนด้วยโยคะภาวนาพอเราเรียนโยคะเนี่ยเราเจริญสติใช่ไหมคุณคุณไม่มีสติเนี่ยโยคะก็สูญเปล่านะโยคะแยกออกจากสติไม่ได้เมื่อคุณยกมือยกมาเหยียดมือเหยียดเท้าถ้าคุณไม่มีความ รู้ตัวคุณไม่มายโฟนสคุณไม่มีความตื่นเต็มตัวอยู่ในนั้นโยคะเป็นได้อย่างดีก็แค่หน้าตลีลาชนิดหนึ่งเป็นแค่ท่วงทีลีลาของกายภาพแต่ไม่ส่งผลต่อความสูงส่งทางปัญญาฉะนั้นโยคะภาวนาทางกายภาพโยคะภาวนาทางจินตภาพต้องไปได้วยกัน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 เราก็คนนะทำไมเราจะไม่กลัวนะักข่าวคนนั้นสีนะผิดหวังนล็กน่อยเขาไม่คิดว่าผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกจะกลัวตายพระองค์ท่านกลัวตายด้วยหรือเปล่าที่เรากลัวเนี่ยกลัวจะเผอใจไปเกลียดศัตรูเขาสักวันหนึ่งไม่กลัวว่าตัวจะตายแต่กลัวว่าจะเกลียดศัตรูนี่คือวิธีคิดของพระโพธิสัตว์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 คนที่หลงเพลิด น, นั่นละถ้าได้รับการแนะนำรับสอนที่ถูกต้องมีครูที่ดีพอเขาเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อพระองค์ท่านบอกว่าอตาตมาไม่ได้กลัวตายอตาตมากลัวว่าจะเกลียดศัตรูก็สักวันเป็นคำพูดที่ไพเราะที่สดุดและน่าเรียนรู้ที่สดุดพวกเราฝึกอย่างนั้นได้ไหมการรักคนที่น่ารักเป็นเรื่องง่ายมากเห็น คนนี้น่ารักออเดี๋ยวต้องขอหลายเลย <c oughs> ไหรักคนน่ารักมันเป็นเรื่องง่ายรักคนที่ไม่น่ารักเป็นเรื่องยากแต่ใครทำได้อ น, นั้นคือสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในชีวิตของคนเราในชาดกมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ดีมากชื่อขันติวาทีนาบทนะพระเอกชื่อขันติวาทีได้บท ดาบององนี้หรือนักบวชองค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีขันติธรรม (tolerance) ที่โดดเด่นที่สุดในผันดินจนเดชาบรารมีของดาบอคนนี้เป็นที่เรื่องเลือยไปทั่วทั้งพันดินพระราชาได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกว่าดาบอคนนี้ปล่อยไว้มันจะมาเบียดดัสสมยเรามันแสบหูแสบตาเรามันมีชื่อเสียงกว่าเราซึ่งเป็นเจ้าพันดินได้อย่างไง ป้หนึ่งจึงญาตระทับไปหาดาบทถามว่าดาบทท่านเนี่ยเรื่องชื่อทางความอดทนดูเสื้อจะทนได้ไหมให้ทหารหารจับดาบทมัดตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้าดาบทก็ยังทนได้ สุดท้ายพระราชาบอกเราจะโคดหัวใจเจ้าดูซิว่าเจ้าจะยังทนได้ไหมได้บทก็บอกว่าพระราชาเอ๋ยพระองค์หาความอดทนของเราผิดที่แล้วพระองค์ตัดแขนเราตัดขาเราตัดหัเราตัดจมูกเราเราพื่อจะค้นหาว่าความอดทนของเราอยู่ที่ไหนพระองค์กำลังค้นหาความอดทนของเราผิดที่ทำอย่างนั้นจนตายพระองค์ก็จะไม่เข้าใจคำว่าอดทนหรอก ที่เราทนได้มันเป็นเรื่องของใจใจของเราต่างหากที่อดทนถ้าพระองค์จะหาความอดทนไม่ใช่มาหาที่ตัวเราแต่ต้องหาที่ใจของเราซึ่งก็เป็นใจดวงเดียวกันกันกบของพระองค์นั่นแหละพระองค์ก็มีความอดทนอยู่เราก็มีความอดทนอยู่เราต่างคนต่างก็มีโปรแกรมที่ชื่อออดทนอยู่ในตัวแล้ว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 แล้วแฉมันให้หนักกว่าที่มันแฉเราทำไมเราไม่ทนเวลาที่เราถูกก็ใจถึกแทนที่เราจะทนก่อนเขาก็โกรธเวลาที่เราเป็นทุกข์แทนที่เราจะทนก่อนเราก็ร่วมมือกับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของมันเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่เราเนี่โอ้โหใจดีจังเลยนะยินดีชดแทนกับความทุกข์โอเคเราเป็นพวกเดียวกัน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 พระราชาพระองค์ไหนที่ใช้ความรุนแรงกับเราบัดนี้เราขออำนาจบุญญาบารมีที่เราบำเพ็ญมาทั้งหมดจงงามนอยอยพรให้พระองค์พร้อมกับข้าราชบริพารทั้งหมดมีชีวิตที่ร่วมเย็นเป็นสุขหายจากโรคคาพยาธิมีความสดิเสเถรยนสำราญในราชบัลลังก์ตราบนานเท่านานเทอนนี่พระราชาได้ฟังอย่างนี้แล้วโอ้ความเกลียดชัง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 ด้วยความรู้สึกผิดเห็นเรือยงเราทุกคนนอดทนได้เราทุกคนนันน ร, นนนรักคนอื่นอย่างที่เราสามารถไม่อาจจะประเมินได้ว่าจะรักได้ขนาดนั้นคือรักคนทั้งโลกก็ไดนะ้แต่สิ่งดีๆเหล่านี้เราไม่ตระหนักรู้เราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบแล้วรำ่รำรจะมีสงครามกลางเมืองก็หลายครั้ง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 และก่อนจากการขอเซลฟี่แ้วให้เขารู้สึกต่อเราอย่างนี้อย่าให้เขารู้สึกกับเราในทางตรงกันข้ามว่าใครนั้นมันชวนฉันมาไม่เจอคนพันนี้ได้ไงฉันไม่แน่เชื่อว่ามนุษย์เรามันจะต่ำได้ขนาดนี้อย่าให้ใครพูดกับเราอย่างนี้ก่อนจบเขาฝากอีกเรื่องหนึ่งเพื่อปลูกความรักลงไปในใจพวกเราทุกคน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 มีเรื่องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราพระผู้ดงองทรงสอนว่าหากใครจับพวกเธอไปแล้วมัดตรึงสองมือสองเท้าจากนั้นเอาเลื่อยที่คมเกริบมีคันจับสองข้างหันเธอตรงกลางลำตัวออกเป็นสองท่อน ใครก็ตามที่ถูกกระทาถึงเพียงนี้ถ้าหากยังมีความโกรธต่อศัตรูผู้กระทาคนนั้นไม่ใช่สาวกของเราและอย่ามาอ้างว่าเป็นสาวกของเราแปลง่ายๆว่าไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ลุงทรงสอนให้เรามีความรักต่อสรพพิชิตสรพสะทั้งคนที่น่ารักและทั้งคนที่เป็นศัตรู เรื่องหัวใจที่เสมอกันคือจงรักทั้งคนธรรมดาและจงรักที่คนปองร้ายเรื่องหัวใจที่เสมอกันนั่นคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมตตาและไม่รีพระองค์ทรงสอนเราว่ามารดารักบทน้อยกรอยใจของตนดังหนึ่งแก้วตาดวงใจฉันใดขอให้เราทั้งหลายมีความรักต่อมวลมนุษยชาติ ชั้นนั้นท่อตา